ได้มีเพียงชาติดีทุกชีวิตลือนข้องเกียวชาติทุกชีวิตได้คิดชาอนาคตเรากำหนดได้จากชาติปัจจุบัน ชีวิตนี้น้อยนักสำคัญนะจะไปสูงไปตาำดีหรือร้ายจงเลือกเธอเลือกเดอกอย่างตั้งใจชีวิตนี้เราเลือกได้เลือก สำคัญนะจงยึดลักกาตั น, นติวกาตะเวทิตาต่อชาสั ก, กสักบิดดอนม า, าดังองสังาราชาสงพระสา ฉันนั้นจ้งยึดหลักกาตัหยูกาตาเวทิตาต่อชาติศาสตร์บิดดมาดา